พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่97เค่ว่าหาข้าวหาน้ำหาผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปอย่างไม่ยากไม่อัตคัดขัดสนนั่งอยู่ใช้ในตัวเลขดอกเบีย้ยในธนาคารยังขึ้นเลยแต่ถ้าหาว่าคนบาปจะทำไงนะมันอยู่นิ่งไม่ได้นะนี่มันรัดตัวใช่ไหมโอ้โหนาทีละกี่บาทเนี่ยมันคานวณได้หมดเลย บางท่านมีบุญนะบอกว่านาทีละเป็นพันบาทนะรายได้เนี่ยไม่ทําอะไรแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยค่าเวลาเฉยๆเนี่ยนะตัวยอดรายได้เนี่ยนับนาทีละหลายหลายพันบางคนเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะดอกเบี้ยนี่มันเพิ่มขึ้นมานาทีละหลายหลายร้อยเนี่ยนะวันหนึ่งเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วเดือนนี้ต้องหาเงินให้ได้สองแสนถ้าไม่ครบสองแสนเนี่ยเจ๊งน่บางคนเนี่ยนั่งอยู่ไม่ได้ก็เป็นลักษณะนั้นถ้าหาว่าคนมีบุญเนี่ยไม่อยากซากอย่างเลยนะ อย่างในหลวงนี่แทบไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมโครงการในพระราชดําริในหลวงคิดปั๊บคนสนองโครงการให้หมดเขาเรียกว่าคนมีบุญเป็นอย่างไงแต่คนมีบาปเนี่ยนะโอ้ยเตื่นตั้งแต่เช้ามาบ่นแล้วบ่นอีกขอแล้วขออีกใช้ไม่เกิดผลอะไรอย่างแต่เขาได้ดีอย่างนี้แล้วใช่ไหมบุคคล น, นั้นก็อาศัยความมั่งมีเหล่านั้นไปทําความชั่วทางกาย บางคนเนี่ยนะเกิดมาร่ำรวยบางคนคิดนะเอ๊ะทายัางไงจะไปเที่ยวล่านกยิงนกคิดว่ายิงนกตกปลาล่าเนื้อล่าช้างเหรอเรารวยแล้วจะไม่ไปหาซื้อปืนไรเฟิลปื น, ปนงามๆยิงป้องเดียวเนี่ยตายโอ้ยิ้มแป้เลยเออบางคนเนี่ยเป็นอย่างงั้นนะอาศัยความร่ำรวยเหล่านั้นไปฆ่าไปเข้นฆ่า อาศัยความร่ํารวยแล้วโกงพูดจริตขอรับชั่นทําบาปทำอกุศลต่อไปอีกอาศัยความร่ํารวยนั่นแหละผิดลูกผิดเมียผิดศีลผิดธรรมเขาที่พระอนนต์กล่าวไว้ในสมัยที่ท่านเป็นยังไม่ได้บรรลุธรรมว่าท่านนั้นทํากรรมเหมือนคนไม่ตายอะไรที่จะสแสวงหาความสุขความสนานความเพลิดเพลินเที่ยวบา้าเที่ยวครับเที่ยวมันทุกอย่างนั่นแหละให้หาโอกาสได้ อาศัยความร่ำรวยอาศัยความมั่งมีเหล่านั้นแหละมาก่อกรรมทำชั่วกายกรรมเป็นไปกับโทษวจีกรรมเป็นไปกับโทษมโนกรรมก็เป็นไปกับโทษเขาทำชั่วด้วยกายวาจาใจอย่างนี้แล้วเนี่ยใจที่เขาทำชั่วเป็นยังไงใจที่เพ่งเล็งอยากได้แต่ของคนอื่นใจที่พยาบาทรอาฆาต จ, จองร้ายเป็นใจที่ปฏิเสธผลดี ปฏิเสธผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธแม้พระธรรมคำสอนของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบัตินรกอย่างนี้แหลบุคคลสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าบางคนที่ประมาทก็เป็นอย่างนั้นทรัพย์สินสิ่งของวัตถุต่างๆที่เป็นประโยชน์ ในโลกนี้เขาไม่ได้เอาไปเป็นประโยชน์ในโลกหน้าเลยเขาเหล่านั้นเนี่ยมีบ้านเรือนที่มั่งคั่งมากบ้านเรือนที่ประดับประดาตกแต่งเป็นอย่างดีเสร็จแล้วเกิดถูกไฟไหม้เขาไม่ขนเอาออกแม่แต่หน่อยเดียวไฟก็ไหม้หมดบางคนแล้วก็ลักษณะเดียวกันพอตายไปแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวิณิบาตนรกอย่างมากกว่าฝันหวานอู้ชาติที่แล้วเกิดเกิดเป็นมหาเศรษฐี เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนความฝันพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทั้งหลายสุปินูปมาเหมือนความฝันฝันว่าเคยมีสิ่งนั้นฝันว่าเคยได้สิ่งนโน้นฝันว่าเคยได้สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเหมือนความฝันทั้งนั้นเลยหาความมั่นคงหาความแน่นอนแม้แต่อย่างเดียวไม่มีถ้าหากว่าเรามีวัตถุเ ข, ข้าของเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เอามาเจริญกุศลแล้ว นางวิสาขากล่าวว่านิมนต์ไปโปรดทั้งหน้าเธอะคะ่าคุณพ่อกําลังบริโภคของเก่าว่ากันเพรว่าพ่อสามีนะเขานะพ่อผัวเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นมิคารเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ร่ํารวยมากเศรษฐีคนนี้เนี่ยไม่ให้ทานพอไม่ให้ทานเนี่ยลูกสะพยก็กล่าวเน็บนะิกๆนหน่อยๆบอกนิมนต์ไปปรดขั้งหน้าก่อนเธอเจ้าค่าตอนนี้คุณพ่อกําลังบริโภคของเก่าเขาว่ากันคือของเหล่านี้ปัจจัยสี่เหล่านี้มาด้วยบุญเก่า แต่ก็ไม่ทําใหม่ใช่ไหมก็เหมือนกับชาวนาผู้ไม่ฉลาดโอ้ยปีที่แล้วเนี่ยทานาอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังได้ข้าวนา้ำใส ย, ยุ่งใส่ชา้างเสร็จแล้วไม่คิดแล้วนาก็ขายอะไรก็ขายหมดจะกินอยวแค่นั้นแหละนั้นกินแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือไม่ได้ทําเหตุใหม่เป็นยังไงมันก็หมดสิเนาะมันก็หมดอันก็หมดไปแล้วไปร้องเรียกหาหาผลบุญจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของ เฉพาะตัวบุญเนี่ยทาเผื่อกันไม่ได้นะถ้าจะทําแล้วเขาอนุโมทนาแล้วได้บุญก็ต้องรอให้เกิดเป็นเปรดเอาไหมเกิดเป็นเปรตแล้วรอให้ลูกทําบุญให้เอาวะยอมยอมไหมไม่ยอมเนาะเพราะไม่ยอมนีม่แหละจึงมาอย่างเงี้ยท่านเอ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยโยมโ ย, ยมไม่ปรารถนาปัญญาเลยก็บอกว่าพ่อปรารถนาปัญญานี่แหละจึงมาหาท่านอย่างงั้นท่านนี่เงียบเลยก็เพราะโยมไม่อยากมืดไปนั่นแหละโยมจึงมาฟังเทศน์ฟังธรรมะ ทำบุญให้ทานใช่ไหมอยากสว่างไปนั่นแหละก็ส่วนที่ปรารถนาอันนี้ก็ดีแล้วลนะ่ะคุณงามความดีเหล่านี้ไม่ไร้ผลอย่างแน่นอนต่อไปบุคคลประเภทสุดท้ายโชติโชติไพรโนสว่างมาแล้วมีสว่างไปในทายพักหน้าบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงเป็นน้นใช่ไหมเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลตระกูลเครือขาบดีมหาศาล มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีเงินมีทองมีข้าวของเครื่องใช้มีทรัพย์ธัญชาติเป็นอันมากแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสะสวยเจริญตาเจริญใจประกอบด้วยผิวพรรณงดงามยิ่งนักเป็นผู้มีปกติได้ข้าวได้น้ำผ้ายอดจานดอกไม้ของหอมเครื่องโลภไร้ที่นอนที่อยู่เครื่องประชีบบุคคล น, นั้นประพฤติสุจริตด้วยกายเออทาความดีด้วยกายใช่ไหม เป็นคนมีศีลธรรมดาก็รักษาศีลห้าวันพระวันอุโบสถก็รักษาศีลแปดใช่ไหมมีกายกรรมที่ไม่มีโทษมีวัจจิกรรมที่ไม่มีโทษมีมนโนกรรมที่ไม่มีโทษเอาใจเหล่านี้มาฟังธรรมใช่ไหมมีใจก็อาศัยใจเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาสแสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นสแสวงหาคุณงามความดีสแสวงหาความรู้รขั้นเข้าประพฤติสุดจริตเหล่านี้ ด้วยกายด้วยวาจายใจยแล้วกายแตกตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แนละบุคคลสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าบุคคลมืดมามืดไปทุกท่านไม่ปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ทํามืดมาแล้วทํำยังไงอ่ะปรารถนาที่จะสว่างไปคือชีวิตของมนุษยชาติการผิดพลาดนี่มีธรรมดาคนเราเมื่อเกิดมาแล้วเกิดมาในโลกรึ คนถอรองเท้าเดินเข้าไปในป่าน้ำที่จะไม่บาดไม่เจ็บไม่เป็นแผลหายากนักคนเมื่อเกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่คลุกเคล้าไปด้วยบาปหาได้ยากแต่เมื่อรู้เดียงสามีสติมีปัญญาแยกแยะดีชั่วแล้วเอาใหม่นะพระพุทธเจ้าว่าอตตะสัมมาปนิทิจะเอตมังคะมุตตมัง การตั้งตนไว้โดยชอบทำเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดการตั้งตนไว้โดยชอบทำนั้นเป็นอย่างไรบุคคลที่ตั้งใจไว้ว่าตัวเป็นคนที่ไม่ให้ทานก็ตั้งใจว่าจะเป็นคนที่ให้ทานต่อไปตั้งใจที่จะให้ทานถามว่าบุญนี่ยอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจเมื่อบุญอยู่ที่ใจนั้นวัตถุที่ให้ไม่เป็นประมาณ สภาพจิตที่คิดจะให้เป็นประมาณบุญจะมากบุญจะน้อยก็อยู่สภาพของเจตนาที่ที่ให้ไปนั่นแหลถ้าเจตนาเหล่านั้นเป็นกุศลมากบุญก็มีผลมากเจตนาเหล่านั้นเป็นกุศลน้อยผลก็มีน้อยตามสมควรแก่เจตนาวัตถุเข้าของเครื่องใช้อันนั้นตามสมควรแก่อัตภาพเพราะฉะนั้นตั้งไว้ว่าเออเมื่อไม่ให้ทานก็จะให้ทาน เมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะตั้งให้เริ่มมีศีลขึ้นเริ่มสมาทานช่างมันเถอะคนเรามันก็ผิดพลาดอยู่บ้างตั้งแต่วันนี้ไปจะขอสมาทานศีลห้าซึ่งเป็นอภัยทานอย่างสูงสุดเป็นมหาทานด้วยนะการรักษาศีลห้าการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยเป็นมหาทานเพราะว่าคนที่มีศีลห้ามีศีลแปดเป็นต้นอย่างดีสามารถเลือกเกิดได้เอาสิคนถ้าเลือกปฏิบัติได้เลือกเกิดได้ จริงอยู่ที่ผ่านมาเราเลือกไม่ได้ที่เราเลือกไม่ได้เพราะเราหลงไปในกระแสแห่งวัตตะแต่ตอนนี้เรามาเดินอยู่ทางสี่แพ่งแล้วเราจะเดินไปถนนเส้นไหนเราเลือกเอาแต่ถ้าเราจะเลือกนั้นพระองค์บอกว่าให้เลือกให้ชอบทำเลือกที่จะเป็นไปเพื่อคุณงามความดีต่อไปเลือกพบที่ดีอย่างบางคนเนี่ยเลือกดีแล้วเลือกไงรู้ปะเขาบอกว่าเออ โยมชาตินี้เกิดมาไม่ค่อยได้ศึกษ า, าพระอภิธรรมเท่าไรเลยช่วงนี้อาศัยผลบุญที่ทํามาเนี่ยขอให้ไปศึกษาที่ต่อไปในพบต่อไปเออบางคนนี่ก็ตั้งแบบนี้ก็ก็ชื่อว่าตั้งไว้ชอบระดับหนึ่งแล้วล่ะที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นได้ยินได้ฟังมาน้อยศึกษาพระธรรมคําสอนมาน้อยเออรู้ว่าน้อยก็ทํำยังไงตั้งใหม่ทใหม่ไม่เป็นไรขอให้มันมากขึ้นบางคนนี่เริ่มตั้งอะไรยางน้อยให้ได้วันละหนึ่งสุด เอางี้แล้วกันนะเราจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่วันเราก็คิดดูใช่ไหมเออจากนี้เราคิดว่าโลกนี้เราจะอยู่อีกกี่ปีสมมุติว่าเราจะอยู่อีกสักยี่สิบปีเอาไม่พอไหมมันยมพอไหมยีม่สิบปีเอาอีกหน่อยไหมไมเอาแนละ้วอายี่สิบปีนี่กี่วันก็คำนวณเออถ้าวันละสูตรเนี่ยนะจากนี้เป็นต้นไปถึงวันนั้นโอจบนะพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านจบแน่นอนนะพระไตรปิฎกถึงจะมากขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนเราก็ได้ยินด้วยถ้าเราตั้งใจให้ชอบครับ โอ้ถ้าตั้งใจเอาวันละสองสูตรเออมันก็ลดมาครึ่งนึงถ้าเอาวันละสี่สูตรลดมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้โดยชอบทำเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่อ่านก็ตั้งไหมอ่านวันละสูตรวันละสูตรเชื่อไหมพระไตรปิดกไม่มีงอกอีกเลยเพราะพระพุทธเจ้าคนแสดงไม่เหลือแล้วใช่ไหมพระองค์เนี่ยไม่เที่ยงพระองค์ปริเนี้พานไปแล้วอันพระสูตรพระไตรปิดกไม่มีงอกอีกเรายิ่งอ่านเท่าไหร่ก็เหลือน้อยเท่านั้นแหละผ้าที่นายช่างหูกเข้าทอไปนะ พอได้เท่าไหร่ก็จะเหลือน้อยเท่านั้นพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าเราฟังวรรษูตรวรรษูตรวรรษูตรอ่านวรรษูตรสองสูตรเอไม่งอกเนี่ยเดี๋ยวก็จบเป็นเหมือนกันแฮะไม่นานเข้าโอ้อ่านพระไตรปิฎกจบเหมือนกันนะก็เราก็เป็นเริ่มมีบุญแลนะ้วจ้ะไหมถึงสุตตะน้อยแต่ตั้งใจไว้ให้ชอบทำเพื่อการได้ยินได้ฟังเพื่อสุตตะมากขึ้นก็ได้ถ้าเรามีสมาธิน้อยมีใจฟุง้งซ่านมากทําไง ก็ตั้งทำยังไงเอสมาธินิมิตสมถะกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นน่ะก็มีอยู่ทำยังไงเราจะปรารกุกทำให้บ่อยทำให้มากทำให้เป็นปกติทำให้เป็นอัธยาศัยนานวันไปใจเราก็สงบมากขึ้นเอทำไมเรามีสติมีปัญญาน้อยศึกษาเรื่องกรรมและผลของกรรมให้มากขึ้นศึกษาเรื่องขันธ์ธาตุยตนะให้มากขึ้นเดี๋ยวปัญญาเราก็มากขึ้นเองสะสมเพิ่มพูนขึ้น เขาเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ให้ถูกต้องเมื่อตั้งไว้อย่างนี้เข้ากุศลธรรมเหล่านี้เราก็มีมากขึ้นถ้าตั้งจิตไว้ชอบธรรมอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าผู้ที่ตั้งจิตไว้โดยชอบธรรมมีคุณมากยิ่งกว่ามารใดถ้าหากว่าแม่ของเราอย่างมากก็ยกสมบัติในโลกนี้ให้ใช่ไหมคิดว่าเออแม่จะช่วยเราอะไรได้บ้างช่วยให้การศึกษาช่วยให้การเล่าเรียนช่วยให้ เราได้รับทรัพย์สมบัติต่างๆแต่ถ้าเราตั้งจิตของเราไว้ถูกต้องเราจะได้สมบัติในโลกนี้ด้วยส่วนหนึ่งเราจะได้สมบัติในโลกหน้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราจะได้สมบัติในโลกต่อๆไปและเราจะได้สมบัติอย่างยิ่งสมบัติที่สูงสุดที่น่าปรารถนาก็คือโลกุตระสมบัติพระองค์ตรัสว่าดูก่รที่สูงทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิทายาญาตของตถาคตเลย เราตถาคตหวังจะให้เธอเป็นธรรมทาญาตให้เป็นทาญาตแห่งโลกุตระธรรมให้เป็นทาญาตแห่งมรรคผลนิพพานเพราะว่าบุคคลเมื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วจะต้องไปอีกไหมเนี่ยไม่ไปแล้วนะเป็นผู้ที่ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิเป็นผู้สามารถเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกได้ ผู้ที่เข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกได้นี่แหละเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดใครไม่ต้องการความสุขมัง้งยกมือขึ้นเงียบหมืแสดงว่าทุกคนก็ช่างมันเลนะเกิดมาก็เกิดมาในโลกที่ประกอบไปด้วยความทุกข์แต่เราก็ปรารถนาความสุขเหตุอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขควรที่เราทั้งหลายจะสแสวงหาสิ่งนั้นเมื่อเราสแสวงหาสิ่งนั้นถึงเราจะแช่งเราทุกวันเอ้ยขอให้แกทุกเถอะ ขอให้แก่ทุกเธอไม่มีทางเพราะเพราะคืชที่เป็นเหตุแห่งความสุขเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําเหตุแห่งความสุขแล้วถึงใครไม่ให้พรเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าหากว่าเราทําเหตุแห่งความสุขแล้วนะศัตรูจะมาแช่งว่าเอ้ยขอให้แก่ตายไป ต, ไปตกนรกเราก็ไม่ตกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราทําช่วยอยู่ทุกวันทุกวันไม่ต้องมีใครแช่งหรอกถึงเขามาอวยพรเอ้ยตายไปก็ให้ถึงสุคติโลกสวรรค์เธอ อวยพรได้ไหมอวยพอรอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมการปฏิบัติเหล่านั้นแหละเป็นพอรอันประเสริฐนั้นสำหรับะธรรมคำสอนที่ยกขึ้นมาจากตรมม ส, สูตรอังคุตระนิกายจตุกะนิบาทกล่าวถึงบุคคลสี่ประเภทนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาทบทวนพิจารณาชีวิตของเราว่าเราเป็นคนในลักษณะไหนในสี่ประเภทนี้ ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ได้แล้วเมื่อเรารู้จักเราอยู่ในประเภทไหนเราก็ตั้งตนให้ชอบทำเมื่อเราทั้งหลายตั้งตนไว้โดยชอบทำความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตความสุขในชาตินี้ความสุขในชาติหน้าและความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานจะไม่ห่างจากเราทั้งหลายจนเกินไปท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีค ว, สสวสดความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความเจริญงอกงามในธรรมคำสอน การรู้แจ้งเห็นจริงในอริยธรรมของพระผู้มีพระภาคจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ตรัสรู้ซึ่งอภินญยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ผู้ตรัสรู้ปริญญาธรรมทำที่ควรรอบรู้ผู้ตรัสรู้ปหาตาประธรรมทำที่ควรละผู้ตรัสรู้สัจิกาตาประธรรมทำที่ควรทําให้แจ้งผู้ตรัสรู้พาเวตาประธรรมทำที่ควรเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทําโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาให้แจมแจ้งแล้วส่งประกาศอริยสัจธรรมคือความจริง ท, ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขะนิโรธคขามินีปฏิปทาซึ่งผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อริยสัจธรรมเหล่านั้นแล้วสา ม, มารถที่จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ขอนอบน้อมแดม่โมูพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนผู้ปฏิบัติเว้นการมัศุขลิกาโนโยคผู้ปฏิบัติเว้นอัตตกิลมัฐานุโยคผู้ปฏิบัติเว้นอุเฉททิฏฐิผู้ปฏิบัติเว้นจากสัตตทิฏฐิเป็นผู้ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาตรัสรู้อริยสัจตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลาย วันนี้ก็นับอีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วเราก็ได้มาฟังพระธรรมเรื่องตรมมสูตรใช่ไหมวันนี้ามาฟังอันธสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลสามมีอยู่ในโลกบุคคลสามคือใครคืออันทบุคคลข้อที่หนึ่งก็คือคนบอดข้อที่สองก็เอกะจักขุเอกะนี่แปลว่าเดียว จักขูก็ตาบคนมีตาเดียวแล้วก็ทวิจักขุคนมีสองตาคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตามีสามคนด้วยกันพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ทรงมีความสามารถที่จะยกพระธรรมคาสอนในรูปแบบต่างๆได้สามารถที่จะยักย้ายพระธรรมคาสอนได้ตามอัธยาศัยของพระองค์และสามารถที่จะยักย้ายพระธรรมคาสอนตาม หมู่เวนัสัตว์ทั้งหลายพระองค์เอาอะไรมาเป็นอุปมาได้หมดเลยเอาความมืดมาอุปมาก็ได้เอาแสงสว่างมาอุปมาก็ได้เอาตามาอุปมาก็ได้เอาหูมาอุปมาก็ได้เอาขาวเอาดำเอาเหลืองเอาเขียวเอาอะไรมาได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องสอนของพระผู้มีพระภาคแต่เฉพาะพระสูตรนี้พระองค์เอาเกี่ยวกับเรื่องสายตามาเป็นเครื่อง อุปกรณ์เครื่องมือในการแสดงพระธรรมคำสอนก็บุคคลบอดเป็นอย่างไรอย่างไรชื่อว่าคนตาบอดบุคคลลางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาตาในที่นี้หมายถึงตาปัญญาไม่ใช่หมายถึงตาเนื้อเพราะว่าตานี้คคำว่าจักขุมีหลายอย่างอย่างคำว่าจักขุอย่างหนึ่งเนี่ยหมายถึงสะสมภรจักสุก็คือหมายถึงดวงตาทั้งลูกนั่นเองลูกตา ลูกตานี้ใหญ่ไม่ยอมเท่าใครหานถึงไหมไม่ถึงเนาะลุงตาเนี่ยก็นั่นแหละในเบ้าตาเราอะ่ะมันจะเท่าไหร่ดิเท่ามะนาวถึงไหมควักออกมาเท่าลูกมะนาวเนะาะมะนาวเล็กๆหน่อยนะตาที่สองเขาเรียกว่าปรสาทะประสาตาบางคนนี่มีตาทั้งลูกเลยเนาะแต่ทําไมมองไม่เห็นเคยได้ยินไหมบอดตาใสคนบอดตาใสอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีประสาทะตาอันนี้ตาที่สอง ตาประเภทที่สามเขาเรียกว่าตาปัญญาปัญญาจากสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมจากสุขดวงตาเห็นธรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งสมันตะจากสุขมีสายตาที่มองเห็นรอบหมดไม่มีอะไรที่มองไม่เห็นตาเนื้อก็คือทุกคนที่มีดวงตาทั้งลูกทีนี้ภาษาทาตาใครที่มองเห็นคนนั้นมีปราษาทาตาคนที่มีสติมีปัญญามองเห็นบุญเห็นบาปเป็นต้น คนประเภทนี้เขาเรียกว่ามีตาปัญญาส่วนคนที่มองเห็นอริยสัจธรรมมีปัญญาระดับโสดาบปฏิมัติโสดาบปฏิผลสกทาคามีมัติสกทาคามีผลอนาคามีมัติอนาคามีผลพวกนี้เขาเรียกว่ามีธรรมจักสุอย่างพระอัญญาโกลทัญญะท่านรู้แล้วหนอะธรรมจักสุปราศจากผู้ลีปราศจากมณทินได้เกิดขึ้นแก่พระัญญาโกณทัญญาว่า ยังกินเจสมุทยาธรรมมังสะพันธังนิโรตธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาในโลกนี้ขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จะไม่เสื่อมไปเป็นไม่มีคนที่มีตาปัญญาสามารถอย่างถึงอริยสัจจะทำสูงสุดระดับนี้เรียกว่ามีธรรมจักสุค แต่ถ้ามีจักสุโดยรอบครอบไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้เลยอันนี้เรียกว่าสมรตจักสุผู้รู้ผู้เห็นผู้รอบรู้สรรพสิ่งใครคนที่มีตาระดับนี้คือพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าสายตาของพวกเราทั้งหลายเหมือนอะไรรู้ไหมก็บอกบดสนิทเลยถ้าพระอรหันตแบบสุขาวิปสัสสก ผ้าอรหันต์แบบไม่มีฤทธิ์แต่ท่านทำกิเลสให้หมดได้ผ้าอรหันต์ประเภทนี้ท่านมีปัญญาเหมือนกับแสงหิงห้อยสว่างเออสว่างขนาดนั้นก็ไม่ใช่ว่าบอดใช่ไหมชื่อว่าสว่างไม่มืดแต่ถ้าหากว่าคนที่มีปัญญามากกว่านั้นอีกอย่างผ้าอรหันต์ประเภทปฏิสัมพิธาทั่วไปก็มีแสงสว่างเหมือนกับส่องประทีปดวงโตๆนิดหน่อยสามารถที่จะสว่างรอบเลย หรือถ้าหากว่าพระอัครส า, าวกก็คือไฟกองโตๆที่สามารถส่องความสว่างสวัยได้แต่พูดแบบสำนวนเราเราก็มีสปอตไลท์สามารถที่จะส่องอะไรก็มองเห็นหมดแต่ถ้าปัญญาระดับพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะส่องแสงสว่างเหมือนกับพระจันทร์ในวันเพ็ญท่านมองเห็นหมดน่ะแต่ไม่ชัดไม่สามารถที่จะเอามาพูดมาเปิดเผยบัญญัติแสดงแต่งตั้งประกาศให้สรัสัต ร, รู้ได้ เพราะปัญญาไม่พอไม่สามารถที่จะส่องชัดได้แต่ถ้าปัญญาระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มีปัญญาเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างนายามเที่ยงวันโอ้แสงสว่างเที่ยงวันเนี่ยโยมเออเที่ยงนี่ง่วงดีนักเลใครไม่ง่วงแม่งทเที่ยงเนี่ยถ้าหากว่าทานข้าวอิ่มอิมหนังท้องตึงหนังตานี่ก็ชักย่อนแน่น อ, อนดวงอาทิตย์แล้วแดดมันร้อนด้ว ย, ยพักผ่อนหน่อยเข้าร่มไปเลย เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตาปัญญาของพระองค์เนี่ยเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์สาดส่องมองเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เท่าใดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็รอบรู้มากมายขนาดนั้นอันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมัญตะจักสุกตาห้าอย่างทีนี้ในตาตรงนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่มีตาตาในที่นี้คือตาปัญญาที่จะเป็นเหตุให้ได้โพกซัพย์อันยังไม่ได้ก็ดี คือแปลว่าไม่มีปัญญาหรือโง่โง่พอที่ไม่สามารถหาทรัพ์ได้เป็นเหตุจะทำพกทรัพ์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดีทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลไม่มีตาปัญญาที่เป็นเหตุจะให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันมีโทษและไม่มีโทษไม่มีตาปัญญาพอที่จะเห็นเหตุ จะให้รู้ธรรมะอัญญาบและอันละเอียดทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นไปในฝ่ายดําและฝ่ายขาวนี่ที่สุดทั้งหลายเราเรียกว่าขนบอดอันนี้บอดสนิทเลยนะบอดสนิทดวงตาที่หนึ่งก็คือตาปัญญาสามารถที่จะสแสวงหาทรัพย์สแสวงหาแก้วแวนเงินทองสแสวงหาทรัพย์สินเพื่อเลี้ยงชีวิตในชาตินี้ ตาดวงที่สองก็คือที่เรียกว่าตามองเห็นกุศลอกุศลมองเห็นอะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดำเห็นขาวเห็นชั่วเห็นดีเห็นโลกนี้เห็นโลกหน้าอันนี้เรียกว่าตาที่สองทีนี้ถ้าหากว่าเรามองชีวิตในยุคนี้จะมองเห็นชัดเลยอย่างสมมุติว่าหลายคนเนี่ยสมัยนี้ยาเสพติดเนี่ยมันติดมากใช่ไ ยุคที่ยาเสพติดเนี่ยมันแพร่ระบาดกระจายไปทั่วไปหมดยาบ้ายามายาอะไรก็ช่างแก่ยาประเภทเนี่ยมันระบาดผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามถ้าหากว่าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายยมุขเหล่านี้แล้วบอดบอดชั้นต้นเลยนะคนเหล่านี้จะไม่ทำมาหากินเลยอยู่ยานเกาะเกาะพ่อเกาะแม่กินอย่างเดียวใช่ไหมพอแม่พอมีสตังหน่อยก็ไปขอและ ขอไปเสื้ออยู่เส้ อ, อยากกินแม้แต่จะมีสติมีปัญญาธรรมมาหากินเฉพาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองก็ไม่มีพอที่จะมองเห็นบุญเห็นบาปก็ไม่มีเพราะจิตใจหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดจิตใจหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขถ้าหากว่าเรามองอย่างอยญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับแล้วสามารถที่จะมองเห็นคนเหล่านี้ได้เลยใช่ไหม เห็นคนที่ไม่ทำมาหากินเลยก็มีติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยไม่มีปัญญาพอที่จะเลี้ยงตัวให้มีชีวิตอยู่ได้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดชั้นที่หนึ่งละอยู่ในโลกนี้แบบคนกรมทราอนาถาหาจะอยู่หาจะกินแทบไม่มีไรการศึกษาอันนี้เขาเรียกว่าบอดอย่างที่หนึ่งบอดอย่างที่สองก็คือคนเหล่านั้นไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปกลายเป็นว่าเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณ เด็กหลายคนที่เรามารู้จักบางคนเนี่ยพ่อวันๆเนี่ยนะไปหาปูหาปลาเรียกว่าไปหาแต่กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดกลับมาบ้านขอสตังค์แม่ไปเที่ยวร้อยหนึ่งสองร้อยเนี่ยก็ขอรีดไปเรื่อยเรื่อยเรืยนั่นแหละแม่ก็รักลูกกันเนาะตามใจก็ให้ทีละหลายๆร้อยไปนี่มันก็ไปซื้ อ, อยาก็ติดยาก็เริ่มมาคมขูพ่อคมขูแม่และ เดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์บ้างจะเอารถบ้างจะเอาโน่นเอานี่ไปเรื่อยไม่ค่อยอยู่บ้านเที่ยวไปเรื่อยถามว่าในขณะที่เขาเบียดเบียนพ่อแม่บาปไหมพ่อแม่มีบุญคุณไหมมีพ่อแม่เป็นพรหมของลูกพ่อแม่เป็นอาหุนยักบุคคลของลูกพ่อแม่เป็นไฟที่ลูกจะต้องเคารพบูชายกย่องนับถือแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านี้เนี่ยไปเบียดเบียนกับผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นพระอารหันต์ของเขาเป็นบุคคลที่เขาควรจะเคารพควรจะยกย่องควรจะบูชาควรจะนับถือแต่เขาปฏิบัติตรงกันข้ามถามว่าบาปไหมเมื่อเขาทํากับพ่อแม่ของเขาได้ไม่มีอะไรที่เขาจะทําไม่ได้เขาก็จะลักเล็กขโมยน้อยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็มั่วอบายจมุกติดเอ็ดเลยโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาแล้ว มุสาวาตกินเหล้าเมายาศีลห้าสินสิบไม่มีเหลือแม้แต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เสื่อมประโยชน์ในโลกนี้เรว่าไม่มีช่องทางธรรมาหากินเป็นผู้ที่เสื่อมจากประโยชน์ในโลกหน้าถ้าหากว่าทําร้ายแม้กระทั่งกับผู้มีพระคุณผิดศีลผิดธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมชีวิตในภพต่อๆไปเขาจะเจริญได้อย่างไรครั้งที่แล้วเรากล่าวว่าเป็นคนมืดมาใช่ไหม แล้วก็มืดไปบางคนเนี่ยเกิดมาฐานะดีอย่างที่ว่านี้แต่ไม่มีปัญญาสแสวงหาทรัพย์ได้กินของเก่ากินมรดกพ่อมรดกแม่จนหมดเกลี้ยงเสร็จแล้วก็ก่อกรรมทาชั่วอันนี้เขาเรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปในบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากคนที่ไม่มีปัญญาพอที่จะทำมาหากินในโลกนี้ได้ ทั้งไม่มีสติปัญญาพอที่จะสแสวงหาบุญกุศลติดตัวไปในโลกหน้าต่อไปได้เขาจะน่าสงสารสักเพียงไรแต่ว่าชีวิตของคนส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้นะบางคนเนี่ยเป็นเพราะพ่อแม่ด้วยนะเขามีอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากมีเงินแปดสิบโกดสมัยนั้น